าสนะสู่ธรรมเรื่องคุยกับกลุ่มพี่มานิตโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่21ธันวาคม2544าแต่ก่นมันยิ่งขึ้นมคิดมันได้เลยพอีขึ้นมามันต้องร อ, อช่วงเดนทางในระบบประสา แต่ไม่เท่าที่อาจารย์คงตักเป็นนะครับอาจารย์นิค่าเป็นช่วงๆเลยอย่างนั้นเลยครั บ, รบแต่ก่อนผมไม่คยได้นสนิยในเรื่องราวของตัวชืว่อตัเองแต่เราสนใจเร่เปิดยหรือเปิความคิดไปสูสังคมจุดนี้เป็นจุดเด่นและจความด้อยในตัวเองที่่เด่นก็คือทำให้เราเชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์มากขึ้นมากขึ้ น, น เราสอนหรือรับันสอนกระทำเลยที่โดนด้อยคือว่าความรูตาจ้ัวโลกด้านนอกในบางช่วงบางตอนเขาเขาไม่ถึงความรู้สึกจริงๆเหมือนว่าเครื่องบินเมื่ออส่งเราเป็เพียงนอนมันมีที่จอดกันไหตอนนั้นเราต้องกลับบ้านเอง เราคนเดียวแล้วเราต้อกลับกลับมานี่แต่เราลืมบ้านเลยก็ยุ่งอะรย่างเงี้ยถ้มสุดท้ายของบ้านเรนครับไปจะดูห้างหาาอนแลก็จะพูดว่าทิ้งรับที่ให้หลือแต่โ น, น้ตตัวร้ว่นๆจริงๆมันเป็นสนิญญ่งที่ยากแต่ผมจำได้คำพูดประโยคนี้ตามสมมติคือกุ้งก็เราทำผมะดุ้งว่า ผมเรียนถามกันว่าปฏนบัติธรรมนรี่ทำยังไงท่านผายมือแลบอกไม่เอาอะไรเลยผมตกใจนะเพราะเราปฏิบัติเราก็ต้องหวังอะไรผลมันแต่พอนึกขึ้นตอนนี้เราไปพูดจริงมากๆจงมาก็เหมืนนอนพายุใหญ่พับต้นไม้ลากตื้ น, นล้มแล้วในน่าขัน การพูดแบบนี้นี่ยเช่นเดียกับคำพูดที่พระพุทเจ้าโดยถึงคว่าอนัตตาหน้าสะดุ้งว่าเราเดินอยู่ดีๆเรามีความรู้สึกเป็นตัวเป็นเนื้อตัวเราคนหนึ่งผมบอกว่าตัวคุณไม่มีหน้าตกตลึงการรูึกช่วเยอะเทาไห่ครับที่กันบกว่าตอนนั้นเหมือนแว่ายังไม่ได้จับมาที่เนื้อที่ตัวเพราะว่าตอนที่ผมเจอ อาจารย์นี่ตอนนั้นสีสิบกว่ากวครับตอนนั้นคาผู้อาจารย์ก็คำผสมกลับมาที่เนื้นตนะนอตัวนี้กลับมาอยู่กับตอแล้วเกิดจังหวะนกพูดหรือต้องสอนหรือเออป้าย้ายบอกตอนสอโสมมีความจริงในตัวมันความจริงตัวมันคือว่าไม่ไม่มีสิ่งที่มันมันละลถึงนครับเดิ น, นป้ายบอกว่าไปทะเลแต่ไม่มีทะเลอยู่ในป้ายเลยนิดเดียวก็ไม่มี แล้วไม่เกี่ยวไม่คล้องในสิ่งที่มันพูดถึงดยดังนั้นช่วงชีวิตที่เราใช้ผูดมการนำทางว่างเปล่าผู้ดมการนำาทางคือลองศึกษาธมะปฏิยาถิธรรมความงผู้รู้พูดสอนอื่นไม่มีสิ่งนั้นจะไในในสิ่งนั้นคนเหมือนทะเลไม่ได้มีอยู่ในป้ายชี้ไปทางทะเลเ นั่นแสดงว่าเราใช้วิธีการใดๆไม่ได้เลยนอกจากการผมจะเรียกว่าสังเกตโบริสิทธ์ดูมันล้วนๆไม่ทำอะไรเลยครับพอทำเข้ามันมันกลางค้นหาอะไรใ น, ใ, นใตป้ายสายโพสป้า้สัเนลัพกล่ <c oughs> าวได้ว่าพอเราคิดดมลิบตีความหรืออะไรสักอย่าง เราพลัดพัดออกนอกทางคราวนี้เราบากตรงนี้เขาสึกจำหน่ายของเราเกล็ดกลังส้ำสากมากผมดูที่ตัวเองเลยมองคนานี้คิดบางประเด็นนเป็นปีๆเลยซึ่งเหมือนก็กินเล้าแล้วก็ไม่ไม่หยุดเลย หนูชอบไปกนกินต่อมันควรินไมันจะพูดได้ชอบลงไปไม่ได้ก่อนอย่างนี้นะตลอดบางคนทางวัฒนาต้องมีควาที่ายพิเศษเรามมื่อคุณวิธีคิดของชาวตวันตกเป็นนบิจารณ์เคื่อูเป็นคนเรียลิสติกเป็นคนเซอร์เรียลิสตแล้วก็ มีท่าทีการปรับเสียงว่าอันนี้ดีกว่านั้นภาพอย่างนี้ดีกว่าแต่วิธีคิดของชาวตัวหนอโดยเฉาชาวพุทเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดเความหลากหลายมันเป็นวาสนาดีทั้งน้นตำตาทําให้ถึงที่สุดได้ฉ <c oughs> ึนเป็นคนเพื่อฝนสาวกผู้เจ้ามีหลากหลายมากคนโรแมนติดคนปิดลูก รูปโฉมมันวาสนอวาสนาเหมือนเหมือ น, นลักษณะของอพืชพัณห์ขอศัตท์ที่ถ่ายทอดใลักษณะประจำเผ่าพันธุ์คุณเ่อนเกิดมาเนี่คิดเก่งบวกกับสิ่งแวดล้อมก็ด้วยยิ่งยิ่งปายใหญ่ อนนี้โมสา่าห้าขวมคุมมงดีทีไะมันรู้จะอธิบายยังไงครับมันนวาสนาเขาวาสนาก็ไม่ได้อธิบายอะไรให้กระจ่างได้วาสนาไม่ใช่สิ่งต้องจำเป็นภาษาลิบุรเป็นกราภาษาโลกยอดเยี่ยมทางปัญญาแต่ว่าถาเล่าวาสนาเล็กน้อยเลยค่ะจะเดินไปเห็นแอ่งน้ำแล้วกระโดดข้ามแค่ค่อยๆเดิน อันเป็นเหตให้พระที่บวชใหม่ไม่คุ้นเคยเรื่องนี้ทนะุบซิบกนว่าเป็นอรหันอยยังไงผู <c oughs> ้เจ้าต้องอธิบายให้ฟังว่าโนาคือสิ่งที่อะไรผมก็เจอเป็นทับยิ่นชาววินงรถแหลงเมื่อเรานั่งหลังรถยนต์หลังพวงอะไรทุกเชา้าทุกจ่าขยับขยื่นตัดเครื่องอะไรเรากำลังสร้างทับถิ่ พอมันถึงระดําหนึ่งมันกล i ยอินสต n ้ t อ n ู่กลายเป็ n สัญชาติญาณจุดนี้สาคัญเลยผมเคยเรียนทองก็เรียนเยรื่องการรู้ตัวเพามรู้ตัวมันเป็นอุปาทานเลย ร, รู้ตัวเราก็ยึดตัวรู้มันถูกยึดกันอย่างนคซึ่งคำตอบตอคือ ว, ว่ า, าต้องรู้ตัวแบบรู้ตัว ภาษามันจะทำให้เราสับสนทั้ง ด, ด้วยแรงยึดและแรงปล่อ ย, อยคำรู้ตัวเรามัธยมดีน ว, ว่าปัจจุบันขนาดมักจะเน้นกันด้วยนะว่าปัจจุบันขนาดจริงไม่ใช่นะถ้าเน้นปัจจุบันขนาก็ติดปัจจุบันขนาดอยู่ตรงเป็นปีๆนะแต่ถ้าเร า, าเดวแล ต่อความหมายยูพุทเจ้าที่บายเองเนี่ยเราถือว่าน่าเชื่อถือต่อ น, นูพุทธเจ้านะสมองไม่ไม่ติดดิไม่ติดนาคอไม่ติดแม้ปัจจุบันนั่นเองนั่นคือเหมือนกับว่ามก็มก็อยู่กับตอนที่มันอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าอะไรก็ผมว่าความคิดมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึงนะครับมันความคิดนี่ไม่น่าจะขัดแย้งกับ การปฏิบัติธรรมเมื่มีความคิดก็รู้ทั้งหมดไม่ได้แล้วเหมือนก้อนหินหรือหัตอนย่างนี้เรามักจะรู้สึกเราเองนะครับว่าความคิดนั้นเป็นตัวเจ้าปัญหา เ, เจ้าปัญหาจริงๆคือความร้ายสติต่างหากนะความร้ายสตินั้นถูก ยถือเป็นเครื่องมือภาวรไปสร้างปาใหม่ือาวบ้านธรรมดาติดบ้างปล่อยบ้างไปทำเรื่องความาภาวนาถ้ากัติดติดแบบนึงมีปาทานในธรรมะยไ่ย่งกันไดน่ <c oughs> <c oughs> ความคิดมมากมายมันเพียงบอกว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์เจี๊ซึ่งงอกงามมาจากสายพันธุ์เราต้องคิดมากกว่าธรรมดาล <c oughs> แล้วก็ ความคิดทุกๆครั้งที่เกิดเป็นการจุดประกายของความเป็นมนุษย์พอความคิดไม่เกิดมันก็ลดลงเป็นพืชในสื่อการเ็นก้นหินเมื่อเราพูดถึงการเจริญสติเราหมายถึยงว่าความทนท่วงทีต่อ ก, การเห็นปรากฏการณ์คือเห็นอย่างจับวันไนมะ่ไม่ไม่ไม่ได้คิดเอาคิดเอานั้น โดยไม่เห็นมันเหมือนคนหลงทางในทะเลทรายอยู่เล ย, เลยมันต้งเห็นทั้งหมดด้วยเห็นภาพทั้งหมดเลยที่มาที่ไปใ้ตัวตัวสติเนี่ยทั้งหม ด, มหมดผมเชื่อผมดูทีวนะีผมสูญเสียไปทั้งหมดไม่ไม่ใช่บางส่วน คือเชืทั้งหมดีนี้พอมันหลุดออกมามันหลุดออมาทั้งหมดด้วยมันไม่ใช้รู้ตัวเบาครึ่งๆกลางๆถ้าครึ่งๆกลางนั้นเป็นกรรมวิธีสู่ตรวยไลลางคืออาจารย์ชินชอนผู้ช่วยเจ้าวาดที่เป็นพี่หมอยมั่นว่าจะได้เป็นสังฆราชสังฆบุโยคคงผัดไฟกนะ็เป็นนั่งผู้ช่วยรู้สอนเจ้าวาดเป็นนั่ง เขาพิสูจน์ขึ้นบวชนอนแล้วเครื่องหมอความเป็นผู้นำทางจิตใจก็ถูกเบนที่ไวหลับคนหนุ่มเพิ่งยังไม่ได้บวชจะซ้ำไปนะสาเหตุ เ, เหตุผลก็คือซ้ำไวหลับเห็นมันทั้งหมดจึงก็อุทานออกมานะใครจะนึกบ้างว่าทุกสิ่งอย่างเป็นผลผลิก้อนของจิตเดิมแท้ แดงท่านเหนทั้งหมดนะนเห็นบางส่วนสมมุติผมยืนอยู่ต่อหน้าต้นไม้ในป่าใหญ่ยเป็นกลุ่มต้นไม้บางขนาดผมอาจจะเลือกดูบางต้นพอดูบางต้นนั้นผมเหมือนกับดึงยกต้นไม้ต้นหนึ่งให้ออกจากพื้นภาพพื้นป่าของโลกทั้งหมดเลยผมดึงมันเข้ามาที่นี่ แล้วผมก็รู้วันอย่างจ่าใช่แต่อนิจจาเป็ความรู้ซึ่งผิดความรู้ซึ่งผมภาษาอังกฤษใช่ไหมอนิสเซอร์จับแยกออกมาจริงๆต้นไม้ไม่ได้ถูกแยกนะแต่ว่าความรู้สึกขอ ง, งเราเนื้ออดบอกจะรู้จริงมากเกี่ยวกับต้นไม้ต้นหนึ่งนี้นะแต่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับต้นไม้ถึงตรงนีปัญหานะครับพร่อความรู้ปัจจุบันนี้อยู่ในเครือนนี้ถึงสิ้น ยิ่งมีปัญญาลองรับไปแล้วยี่รู้เรื่องก็เหนื่นน้อยลงน้อยลงแต่จะรู้รู้ลึกของตัวเองเนาะที่มัล้วผมนั่งดูกันไมาแล้วก็ผมทำํำอนอาจารต้นไม้โดยดึงต้นไม้มาต้นหนึ่งแล้วก็รู้มันอย่งสี่ยิแต่ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวทั้งป่าทีนี้มาดูอี ก, อกคนนึงเนาะ ไม่ได้เห็นตัดไมาต้นเดียงเห็นบรรยากาศทั้งหมดทั้งมันถามจะเห็นได้ยังไงครับเห็นโดยโดยไม่ให้เจาะจงไม่มีเจตนาจะเห็นมันกความจงใจจะเห็นอะไรไม่รู้หน้าตรงนี้สำคัญนะตามที่ผมเข้าใจนะตอนภาวนาเนี่ยเรามักจะพลาดคาดหวังคาดหวัง เราถ้อยคำศักดิสิเหล่านียั่วยใจเราหลายพทวัตเวลาในิพพาน้างนิมุตบางพระเจ้าบ้างแค่าษาพัดในทุกทุกลัทธิทุกทุกศาสนาจะมีถ้อยคำยั่วยวนซึ่งพวกวีมักจะพยายามสร้างเพื่อความเป็นองค์กรของลัทธิศาสนาเมืนั้ ฉะั้นติดใจของคนทกลองเต็มไปด้วยความคาดหมายผมเจอผู้หญิงตัวหนึ่งเนี่ยผมโอ้โหเธต้องแบบรับความคาดหมายผมเป็นเป็นกิโลเลยเราเต็มไปด้วยความคาดหมายนะแม้แนตะ่ฟังธรรมเราก็คาดว่าจะฟองอะไรสักอย่างแล้วเราดีขึ้นฉะนั้นโดยสบายเราจะไม่คุ้นกับการดูเฉยๆโดยไม่ต้องทําอะไร ซึ่งก็คือไม่คาดหมายอะไรทั้งนั้นผมว่านี้เป็นยอดศิลปาเลยนะฟังเทศฟังธรก็ดีแล้วมันเป็นความตื่นตัวแนะล้วพร้อมที่รับรู้อะไรที่เป็นอะไรึ้นมาในขณะสับทันนั้นความหมายของปจิบันขนายู่ตรงนี้คือเห็นเห็นทันทีแล้วก็ มายุ่งมาเกี่ยวกับมันด้วยทั้งหมดนี้เป็นการตอบสนองต่อคนทัศเยี่ยมคนใช้คำนี้เลยทัศเยา่ยมเหมือนเรานั่งอยู่สองสามคนเลยลเรอวางใจว่าจะไม่มีการเด็ดแปลงอะไรสมมติมีงูเห่าตรงเลื้อยกั้มา เกิดการเปลี่แปลงอย่างฉับพลันเลยบรรยากาศเปลี่ยนทั้งหมดเลยนี่ตั้งแต่ภายนอกยักระทั่งภายในยังกระทั่งภายนอกเลยภายในที่เรากังวลเฉยๆชาๆเรื่องตื่นขึ้นมาดื่อๆนะสมองก็เหมือนดอกไม้ที่มบานเนี่ยบานรับรุ่ยมาดังนั้นกล่าวได้นะครับว่า การเห็น ท, ที่แท้จริงไม่ได้การคิดคือเห็นแบบชัอปพลังจึงจะจึงจะเอาชนะความคิดได้โดยไม่ต้องทำลายความคิดเพราะความคิดเป็นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญพันหนึ่งอะไรประมณิดหน่อแล้ ว, ลวรลเราก็จะผิดเราไอยมุ่งจะลดเครดิตหน้าที่การงานฟังชั่นของ ของความคิดนะครับเราก็จะกลาย็คนค่าจะบ้ากันไปเชอ <c oughs> คือความคิดมันมั น, ม น, มนมเหมือนเหมือนมือกเท้าซึ่งภาพรวมข้งมันคือความสมดุลนมนอกเนือใ ห, หน้าที่จับต้องสิ่งของสร้างความสมดุลให้ โดยเฉาะเรือน่างของมนุษย์ด้วยแล้วนี่นถ้จะผ่าซีกได้เลยแต่ว่าพัฒนาการผิด่เนื่องจากความสำคัญผิดที่เรามักทุนกับคำว่ า, าวิจาริ์ธรมทำไม้เราไม่ไม่เข้าใจเรื่องเราในสุดที่ดูความคิดไม่เป็นก็ก่อสร้างศัตรูกันในตัวเองก็ไม่จำเป็น เพราะความรุนแรงของตัวปัญหาไม่ได้อยู่ในตัวความคิดที่คอมตื่นตัวไม่ไม่ทนต่อปรากการภายในเหมืมอนขโมยขึ้นบ้านเงียบโทษรัวก็ไม่ได้โทษบ้าก็ได้โทษตอนนี้ขโมยขึ้นแล้วหลับอยู่ มังนั้นความรตุต้นตัวเองเนี่ยกะ ต, ตุ้นเราให้คือคือมรู้สึกชัวงนหวังว่าความตื่นนี้เรามีอยู่แล้วแต่เรามันไม่ตื่นไปเหน <c oughs> พอมีเหตุการณ์อะไรอุบัติเหตุมันตื่นสว่างสวัยทีเดียแต่มันมันแกมตกจายไปด้วย ติดใจทำใช่ไหมการตัดสิดใจลงมือทําอย่างเช่นงูเห่าเข้ามาเนี่ยเ้าเรารู้ตัวใช่ไหมแต่ะคนตัดสินใจทําอะไรที่ไม่เหมือนกันเนี่ยทำอะไรอย่างเราะควรจะนั่งให้มันเลื้อยไปเฉยๆไม่ตัดทินแล้วมันนอนแล้วตอนนี้เรารู้ว่าเรายิ่งดิ้งมันก็มันไม่ทำอะไรบางคนเอกว่าถ้ามันดีกว่าแต่มันก็จะทําเรา อันนี้มันอาศัยแบบประสบการ์สั่งสมของชีวิตผมถูกรบชนที่มีที่จริงเขาชนผมที่จริงผมถูกชนวนาผมกลางผู้ชนแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะเล่านะแต่พตอนที่รบชนชนนั้นเป็นบัติเหตุซึ่งไม่เคยคิดมาก่อน ไม่เคยมีประสบ ก, การณ์มาก่อ น, นแล้วก็เหตุร้ายแรงนั้นไม่ได้เกิดกับผมเกิดกับเด็กนักเรียนคนหนึ่งเขาที่เขาต้องหยุดเขาไม่อยุดเกิดค น, นผมเลี้ยงแต่เขาเรือล่างคว่ลง ก, กลางถนเนเกิดขึ้นเร็วมากครับรวดเร็วจนลำดับแทบไม่ถึง ผม่จอดอยู่ครับแล้วก็กำลังจะออกรถทนี้เขาก็ไม่ไม่เห็นว่ามีรถคันหนึ่งบงัง mm hmm. เขาเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ครับ mm hmm. ผมออกพอดี mm hmm. ตูมเขยแต่ที่จเล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนั้นครับปรเด็นอยู่ตรงว่าความรู้สึกฉับร้อนที่บรรยากาศเก่าแปลเปลี่ยนเปนอีกบรรยากาศนึงต mm hmm. ัวบาวมอนกับอยอะไม่เลย ไม่ไม่ได้ตกใจ ม, มั้ย ไ, ไ, ไม่มีไม่มีการกระทําอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ภาพเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์เดียวคือความคิดไม่มีเลย ม, มันมันล้างเครื่องมันถอนโยงหมดเลยนะ ลังจากนั้ก็ยุ่งคนระยุ่งยุ่งเรื่องตำรวจบ้างอะไรบ้างตามเรื่องราว ม, มันมีข้อท็จจริงอะไรบางประการครับนะที่ที่เป็นการบอกเลิกเพิกถอนทั้งการเวลาคอนเซ็ปต์ของการเวลาแล้วก็นวทางความหมาย คนผมผมจะเรียกว่าคนกลยล้างพบชาติซึ่งมันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่เราแต่เรากดสวิตชไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกถ้ากว่ามันไม่ทำงานแต่ว่าเราจะตื่นตัวแลกขยันขันแข็งภายใต้ใการชี้นำองความที่ในหลอกในสุดสติปัญญาของเรา ตัวเราหมาืงองมียางากลายเป็นมือนพาดของความคิดเราคิดกัจริงถ้าถ้ า, าลบกความคิดออกแต่ต้องไมลืมว่าองไม่จะไปทำลายความคิดกางคล้าย <c oughs> ๆกับวา <c oughs> กรรมกรนะรถูกกดขี่แบบม า, าทุนกับเจ้าของโรงงานซอการมอย่างสัดเตน พนักงานก็ม่ีคนงานก็ไม่มีไม่มีมมีแรงต่อรองจนกว่าพนักงานทุกคนไตรพร้อมกันจับภาพื้นหนึ่งกัก็ไ้นะครัไอคนนี้วางไอคนนี้ไม่วางมัน <único> ม <word> ันไม่ไม่ไม่พ้นเี่งจนกว่าทุกคนจะพร้อมแล้วภายในขณะเดียววางคลเม็ดอนนี้ครับผมคิดว่าสำคัญ เราปฏิบัติทมเรามักจะเต็มในเรื่องาดหมาแล้วเิ่งเ้ยชาจใช้ความคิ ด, ค, ดคิดซ้อนความคิดกันมาเรื่อยๆอาการที่รถชนก็ดีเหมือนอาการสไตร์ทีเดียวถูกเพิก้อนสโลกของอาจารย์ไว้หลงังที่ที่เขีย น, นเพียงข้าง โลดของอจรย์เซนชอลเนื้อหขาสำคัแอยู่ตรงประเด็นนี้ผมเข้าใจงั้นในขณะทาจารย์เซนชอบอกว่าการข้าขงเราเปียบด้วยต้นโฟนเปรียบด้วยกระจกนอนสายนอันเช็ดทุกระจกทุกวันคุณจะจับได้หรอได้ยังไงนะนี่แสดงทึง ทัศน์นาที่ที่อาจารย์ตุ้คงแก่เรียนซึ่งตัวมาตราหัวหน้าสายสายเนี่ยสายเชืงช้าสายค่อยเป็นค่อยไปาอาจารย์ไม่ลองนี่บอ ก, กว่าไม่มีต้นโพไม่มีกระจกท่านต้องถ า, าว่าฝุ่นจะจับอะไรนี่เป็นการบอกเรื่องเพื่อสอนทั้งรูปทั้งนามทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะ ผรไม่มีกิจอะไรต้องรักขีเลี้ยพอเมื่อถูกโถอนมาแล้วที่เลยไม่มีที่ตั้งเมื่อฝุ่ละอองไม่มีที่ตั้งก็พัดไปตามธรรมชาติเหมือนกันนั้นเอง